50 languages. 78็ดสิบคุณศัพท์1นึ่งกลุ่มวาจากผู้หญิงชราหนึ่งคนวบบวาวแ ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนวบบาดัปปมาเเลผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนวบว้ากุตูหลวอุลลามาเฮเลรถใหม่หนึ่งคันวุนดูฮสากาดีรถความเร็วสูงหนึ่งคันวุนดูเวกวาดากาดี รถนั่งสบายหนึ่งคันวุนดูฮิตะคารวาดกาดีชุดเบรสสีฟ้าหนึ่งชุดวุ้นดูนีลีอังยีชุดเบรสสีแดงหนึ่งชุดวุ้นดูเค็มปุอังยีชุดเบรสสีเขียวหนึ่งชุดวุ้นดูฮัสซิรุอังยี กระเป๋าถือสีดํำหนึ่งใบวุนดูกระเป๋าถือสีน้ําตาลหนึ่งใบวนุนดูกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบวนุนบิลิชีลาคนใจดีหลายคนวัลเลยเจนะ คนสุภาพหลายคนวินีตาจนาคนน่าสนใจหลายคนสวารสย์กราจนาเด็กน่ารักมุดดุมักกลูเด็กดื้อนิรลจมะกลูเด็กดี กุหลา ய ா ம หมาก